192แม้ในปัจจุบันแท้ๆก็ยังเป็นมิจฉาทิถีได้ผู้ที่ยังปฏิบัติธรรมกันอยู่กับการกระทำของตนโดยไม่รู้จักภาวะที่ตนทำอยู่นั้นว่าเป็นความเห็นผิดคือเรากำลังเอาอดีต18มาทำอยู่หรือไม่รู้จักว่า เป็นความเห็นผิดที่เรากำลังทำอยู่นั้นเรากำลังเอาอนาคตมาทำอยู่ทั้งๆ ท, งที่ไม่ว่าอดีิบแหรืออนาคต44ที่ว่านี้ขข้นไปงมไปจมอยู่กับมันมันก็ปฏิบัติให้เกิดนิพพานทำไม่ได้แม้แต่ในปัจจุบันห้าายังมิดชาที่ถี่อยู่ การปฏิบัติในปัจจุบันนั้นก็เป็นแค่ธรรมะในปัจจุบันที่มีผลที่เป็นมิจฉาผลผู้บรรลุในภาวะที่ตนนึกว่าตนบรรลุต่อให้เชื่อว่าเป็นนิพพานในขณะปัจจุบันที่ยังมิจฉาทิฐิอยู่ดังว่านี้ยังมีอยู่มากจึงยังชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีผลธรรมในปัจจุบัน พนธธรรมที่คนผู้มิชาทิชีนี้ได้ในการปฏิบัติขนาดนั้นจึงเป็นลมๆแ้งๆ เ, เป็นฝันในฝันอยู่แท้ๆที่หลงกันว่าหลับตาทำสมาธิไปเถอะแล้วจะระลึกได้เองเกิดเองได้หรือปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองนั้นคือผู้หลงผิดทั้งนั้นดีไม่ดีมีหลงเลยเถิดไปได้ถึงขนาดว่า ผู้ที่ไม่หลับตาทำสมาธิแม้จะได้ปัญญาที่ไม่เกิดจากการหลับตาสมาธิต่อให้เรียนรู้จบสูงขนาดไหนก็ล้วนไม่ใช่ธรรมะปัญญาแต่เป็นปัญญาโลกโลกทั้งนั้นว่างั้นเลยนี่คือผู้หลงผิดดักดานน่าสงสารจริงๆก็ถ้าอดีตคุณไม่มีอารยธรรมนั้นๆ ที่เคยปฏิบัติบรรลุมาแล้วคุณจะระลึกเอาความไม่มีของคุณมามีให้คุณเห็นอารยธรรมให้คุณเกิดในจิตคุณได้ยังไงอย่าหลงเพอ้อพกผิดผิดอยู่เลยจะหลงเอาแบบพระพุทธเจ้าแต่คุณก็ไม่เคยผ่านการบรรลุนั้นๆมาก่อนในชาติก่อนแล้วคุณจะเอาอะไรมาระลึกได้ มันจะเอาอะไรมาโผล่มาเกิดขึ้นเองให้คุณได้อย่าฝันผิดผิดเพอ้อเพอกันเลย